เจริญอนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส2องมกราคมพุทธศักราช2 5 5 6เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเติมสเบียงเติมน้าเติมน้ำมันให้แก่ชีวิตซึ่งเปรียบเหมือนรถยนต์ที่จาเป็นจะต้องมีน้ำมันไว้ขับเคลื่อนมีน้ำไว้สาหรับระบายความร้อนมีเสเบียงมีอาหารไว้สำหรับคนขับรถถ้าเราขาดสบียง ชีวิตของเราก็จะไม่สมบูรณ์จะมีแต่ความหิวความกรหายความทุกข์ความยากความลาบากแต่ถ้าเรามันคอยเติมเสเบียงให้แก่ชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความสบายมีความปลอดภัยเสเบียงของชีวิตของเรา ก็คือบุญนี้เองบุญนี้เป็นเหมือนกับสะบ iem ของจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราทําบุญแล้วจิตใจของเราก็จะมีสบ iem มีอาหารมีสิ่งต่างๆที่จะเอื้ออํานวยความสุขให้แก่ใจทําให้ใจมีความอิ่มมีความพอ ไม่ต้องเล่มล้นขวนขวายหาสิ่งต่างๆที่เป็นพิดเป็นไัให้กับใจเนื่องจากเราถูกความหลงหลอกให้ไปหาอยาพิษหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะคิดว่าจะเป็นสเสบียเป็นอาหารของใจสิ่งที่เราถูกหลอกให้ไปหา แล้วก็มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือลาบยศสารเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ให้ความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่าด้วกันเป็นเหมือนเยื่อที่ติดอยู่กลายเลยเป็น อาหารชิ้นเล็กๆสำหรับปลาที่ไม่ฉลาดพอไปตะคุบเหยื่อเขาแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเตี่ยวปลาสร้างความทุกข์ทรมานให้ไปจนถึงวันตายฉันใดความสุขที่เราได้จากการหาลากยกสารเสริมหารูปเสียงเก็บล้นโผตระพรชนิดต่างๆนี้ก็มีความทุกข์อันมาหันตามมาด้วย ความทุกข์ที่ทำให้เราต้องร้องหหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดกลัววิตกกังวลและท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิตถึงกับอยากจะคิดฆ่าตัวตายก็เพราะว่าสิ่งที่เราไปหานั้นมันค้นพิดใส่เรานั่นเองคือเวลามันจากเราไป เวลามันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มันก็เลยเป็นเหมือนอยาพิษเพราะว่าราบรื่นะละเสริมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ดับความรู้มร้อนดับความหิวดับความอยากต่างๆภายในใจของเราได้นั่นเอง ถ้าเป็นการรับประทานอาหารก็เหมือนกับรับประทานลมเข้าไปเวลาเราหิวแล้วเรารับประทานลมเข้าไปลมนี้จะไม่สามารถให้ร่างกายของเราอิ่มได้ฉันใดเวลาเราเกิดความอยากแล้วเราไปหาลาบยศจระเสริฐไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑชนิดต่างๆก็เป็นเหมือนกับการ รับประทานลงเข้าไปในใจนั่นเองแทนที่จะให้ความอิ่มความพอกับให้ความคิวความอยากความต้องการซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจตามมาต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ทดลอง สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วทรงพบว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ซ่อนมากับความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราได้มานั้นจะต้องมีการเสื่อมหมดไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาเสื่อมหมดไปหรือว่าเปลี่ยนไป ก็จะทำให้เราทุกข์ใจเพราะเวลาที่เราได้มานั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่พอเราได้มาแล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราผิดหวงังทำให้เราเสียใจเช่นเราได้คนดีมาของดีมาแต่พอได้มาแล้วคนดีนั้นก็เปลี่ยนเป็นคนไม่ดีไปของดีก็เปลี่ยนเป็นของเสียไป ก็ทำให้เราทุกข์ใจตามมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงไม่หาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้เป็นมาให้ความสุขมาให้ความอิ่มความพอเพราะทรงได้สัมผัสมาแล้วอย่างโชคชนจนรู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขจะดับความทุกข์ภายในใจ ได้มีแต่จะเพิ่มความทุกข์เพิ่มความอยากเพิ่มความหิวให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเรยพระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติสละลาภยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งออกไปหาความสุขหาสเบียงที่แท้จริงของใจ ก็คือหาบุญนั่นเองบุญที่พระเจ้าทรงหาและทรงสอนให้พวกเราหานี่ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งท่านเรียกว่าทานคือการให้ให้ของที่เป็นของของเราของที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเก็บเอาไว้ก็ให้คนอื่นไปแบ่งความสุขแบ่งประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แล้วจะทำให้ใจของเราได้บุญได้สเสบียงได้ความอิ่มได้ความสดข้ขอสองสิ่งที่ท่านสอนให้เราทำก็คือให้เรารักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี้จะระ ง, งับการกระทำบาปต่างๆถ้าเราไม่กระทำบาปใจของเราก็จะไม่ทุกข์ร้อน พอใจไม่ทุกข์ร้อนใจก็เย็นสบายเหลือนเตาไฟนนี้ถ้ายังมีไฟอยู่ถ้าเราเอามือไปแตะมันจะร้อนมากจะเผามือเราได้แต่พอไฟดับแล้วไม่มีไฟหลงเหลืออยู่แล้วเราเอามือไปแตะ ก, ก็จะไม่เจ็บไม่ไม่ไม่ร้อนแต่อย่างใดฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะเย็นมนมีความสบายขึ้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนเข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจข้อที่สามท่านสอนให้เราภาวนาการภาวนานี้คือการฝึกอบรมจิตใจที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่อารมณ์ว่าวิ่งขุนมัวเพราะไม่รู้จักหยุดความคิดของตนความคิดนี่แหละที่ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะคิดไปในทางไม่ดีกันคิดไปในทางโลกทางโกรธทางหลงซึ่งทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาเราต้องมา ระนับความคิดที่ไม่ดีต่างๆด้วยการใช้ความคิดที่ดีเข้ามาระงับเช่นให้คิดคาว่าพุโทโธพุทโธไปหรือให้คิดบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆเวลาที่เรามีความรื่นร้อนใจแสดงว่าใจกำลังคิดเรื่องไม่ดีเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ด้วยการสอนให้คิด แต่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือคิดบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วอารมณ์ที่เกิดจากความคิดไม่ดีก็จะจางหายไปหมดไปได้นี่คือการทำใจให้สงบทำใจให้ว่าต้องใช้อารมณ์เดียวเป็นตัวมามานับอารมณ์ใดก็ได้ธรมโมก็คือบทสวดมนต์พุโทโธก็คือ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าจะระลึกถึงพระอาจารย์พระอริยสงสารก็เป็นสังโฆหรือจะระลึกถึงพระรัตะนาใจพร้อมๆกันไปก็ได้ด้วยการท่องพุทธโทธธรรมโอสังโฆไปหรือเจริญบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณ เช่นอิติปิโสภะกวาสวะขาโตภะกวาตาธรรมโนสุปฏิปนโสนสวดไปเรื่อยๆอยากไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราว้าวุ่นขุ่นมัวแล้วพอเราไม่ได้คิดเดี๋ยวเดียวห้านาทีส0บนาทีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หายไปแต่จะหายเพียงชั่วคราว ถ้าเรากลับไปคิดอีกเมื่อไหร่ก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นงัวขึ้นมาอีกถ้าอยากจะทำให้หายอย่างท้าวรก็ต้องคิดไปในทางความจริงคิดให้เห็นว่าสิ่งที่ทาให้เราว้าวุ่นขุ่นงัวนี้มันไม่เที่ยงเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่ควรไปยึดติดกับเขาไม่ควรที่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ กาเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสมอไปพอเราอยากให้เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นพอเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้ก็ทำให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ขอร้องไม่ได้เขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา เราก็ต้องทำใจยอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้บางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีถ้าอยากให้เขาดีตลอดก็จะทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นัวขึ้นมาถ้ายอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็<ม>ปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์และเราจะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไป ทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราเข้าใจความจริงแล้วว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนัตตาคือเขาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราใช้ความคิดแบบนี้ เราก็จะสามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นี่เรียกว่าภาวนาการทําบุญสามขั้นนี้เป็นบุญที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นแก่นของบุญคือทานศีลและภาวนาแต่นอกจากแก่นของบุญแล้วก็ยังมีเปลือกมีกระพี้ของบุญที่เราควรจะทําทตามโอกาส เช่นวันนี้เรามาทำบุญให้ทานกันแล้วเรามีบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งปันบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ผู้ที่มีชีวิตอยู่นี้เราไม่ต้องเราแบ่งไม่ได้เขาต้องทำเองบุญที่เราทำนี้เป็นนามาทำเป็นอยู่ในโลกทิพย์เราสามารถแบ่งบุญที่อยู่ในโลกทิพย์นี้ให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ได้ ผู้ที่อยู่ในโลกทิตก็คือผู้ที่ไม่มีร่างกายแล้วเช่นเวลาร่างกายเราตายไปเราก็จะเหลือแต่ใจที่เป็นกายที่เป็นร่างที่ใจนี้อยู่ในโลกทิตใจนี้สามารถรับส่วนบุญของผู้อื่นได้เช่นเราตายไปแล้วแล้วผู้อื่นเขาอนุเขาเขาอุทิศส่วนบุญมาให้เราเราก็สามารถรับได้ เพียงแต่ว่าบุญที่อุทิศนี้เป็นบุญที่มีจํานวนน้อยเท่านั้นเองถ้าเรามีสเสบียงมีบุญมากอยู่แล้วเราเป็นเศรษฐีบุอยู่แล้วบุญที่เขาอุทิศมานี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรเหมือนให้เงินน้อยบาทแก่เศรษฐีที่มีเงินน้อยล้านอย่างนี้เขาก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่อย่างน้อยถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาทราบซึ้งในไมตรีจิต ในความระลึกถึงของเราในความคิดที่ดีของเราบุญที่อุทิตนี้จะเหมาะแก่ผู้ที่ขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้ทำบุญมีแต่ทำบาปพอตายไปก็ต้องเป็นเปรตไปเปรตนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องการบุญอุทิตเป็นผู้ที่จะรับบุญอุทิตได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพราะถ้าไปอยู่ในนรกก็เหมือนไปติดคุกติดตารางไม่มีเขาไม่อนุญาตให้ส่งของเข้าไปให้ได้ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่สามารถรับได้เดรัจฉานเขาก็หาสเสบียงของเขาด้วยการทำมาหากินหากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆไปตามอัตภาพของเหล่าของเข า, า, า, า, าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ก็หาสเสบียงของตนเองได้ก็ไม่ต้องรอรับส่วนบุญของผู้อื่นมีพวกที่รอรับอยู่ก็คือพวกเปรตพวกที่เป็นเหมือนกับขอทางในทางในโลกทิพย์นี่พวกนี้เขาไม่มีบุญเขามีความหิวมีความอย า, อยากอยู่ตลอดเวลาถ้าเราแบ่งอุทิศบุญที่เราทําไปให้กับเขาก็จะช่วยบรรเทาความหิวของเขาไปในระยะหนึ่ง จนกว่าเขาจะหมดหมดบาปแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือบุญที่เราควรจะทำกันทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วถ้าเราไม่มีคนรู้จักที่ตายไปแล้วเราก็อุทิศให้กับสรรัพพะสัไปก็ได้แต่บุญอุทิศนี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นการไประ ง, งับเจ้ากรรมนายเวร ผู้ใดที่เขามีเวรมีกรรมกับเรานี้เขาไม่รอรับบุญอุธิเขาจะจ้องคอยจองเวรจองกรรมกับเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องทาใจอย่าไปตอบโต้เวลาที่เขามาจองเวรจองกรรมมาอาฆาตพยาบาทเพราะถ้าเราไปตอบโต้ก็จะไปเพิ่มความอาฆาตพยาบาทให้มีกาลังมากขึ้น ถ้าเราไม่ตอบโต้เราทําใจเฉยๆยอมถือว่าเป็นกรรมของเราเก่อนมาแล้วก็ต้องมีการใช้นีิใช้กรรมเพราะเราเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้นด้วยการไปตอบโต้กันเดี๋ยวต่อไปไม่นานเขาก็จะบมดแรงไปเองเขาก็จะเลิกม า, าลาวีมาจองเวรจองกรรมกับเรา แล้นี่คือวิธีละนับเวรกรรมละงับด้วยความเมตตาด้วยอุเบกขาคืออุเบกขาก็คือทําใจให้เนี้ยงๆเฉยๆเมกาเมตตาก็คือพยายามทําดีกับเขามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้เขาได้ก็ให้เขาไปมีอะไรจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปถึงแม้เขาจะโกรธจะเกลียดเรา ถึงแม้เขาจะถือว่าเป็นศัตรูกับเราแต่เราอย่าไปถือว่าเขาเป็นศัตรูกับเราขอให้เรามองว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในเวลาใดที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ด้ยากเราช่วยเหลือเขาไปก็อาจจะทำให้เวรกรรมที่มีอยู่ต่อการนี้น้อยลงไปเบาบางไปได้แต่เราไม่สามารถอุทิศบุญเพื่อจะระ ง, งับ ได้อุทิศบุญนี้เป็นการให้ทานต่อผู้ที่ไม่มีไม่มีบุญคือพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาพวกที่เป็นขอทานในโลกทิพย์นี่คือบุญที่เราทำกันบุญอีกอย่างที่เราควรจะทานตามโอกาสก็คืออนุโมทนาบุญถ้ามีผู้อื่นเขาทำบุญเรารู้เราก็ร่วมอนุโมทนาบุญ ถ้าเรามีมากมีน้อยก็ทําไปเพื่อให้เขามีกําลังใจที่จะได้ทําบุญมากขึ้นไปตามลำดับเพราะบุญนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครมีเป็นแต่คุณเป็นแต่ประโยชน์ทั้งผู้ที่ทําบุญและผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญเวลาเราร่วมอนุโมทนาบุญถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมทําบุญด้วยเพียงแต่บอกเขาว่าขออนุโมทนา ยินดีด้วยก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็ทำให้เรามีความสุข ด, ด้วยอย่าไปขัดขวางการทาบุญของผู้อื่นอย่าไปบอกว่าอย่าทำเลยทำไปก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกระทาที่พืนกระทาถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ถ้าเขาทำแล้วเขาไม่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาทำไป เขาได้บุญแล้วเราก็จะของเราก็จะไม่ไม่มีความหงุดหงิดลำคาญใจบางทีเราไม่ชอบทาบุญเห็นคนอื่นทาบุญเราก็เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีว่าการทาบุญนี้เป็นการกระทำที่ดีเพราะเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็ได้ประโยชน์ได้เข้าของ ได้สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพผู้ให้ก็ได้บุญได้ความสุขใจผู้ร่วมอนุโมทนาบุญก็ได้ความสุขใจเช่นเดียวกันแทนที่จะได้ความหงุดหงิดใจถ้าอนุโมทนาบุญแล้วความหงุดหงิดใจนั้นก็จะหายไปนี่คือบุญที่เราควรจะทำตามกาลเวลาทตามโอกาสที่มีให้ทำ บุนอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือการรับใช้ผู้อื่นหรือการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลาบากไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เราพอที่จะช่วยเหลือเขาทำได้ก็ช่วยกันทำไปหรือเราไปตามที่สาธารนณะเช่นวัดโงรงพยาบาลหรือโรงเรียน เราเห็นว่าเขาขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ขอให้เล่าช่วยเหลือกันไปนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจบุญอีกประการหนึ่งที่เราทควรจะทำก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัวไม่หยิ่งไม่ไม่ไม่หยิ่ไไงไม่อดเก่งไม่อดเบ่งให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนาการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบายเพราะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปเบ่งไปเก่งกับใครถ้าเราอยากชอบอวดเบ่งอวดเก่ง ถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขาดีที่เขาเก่งกว่าเราใหญ่กว่าเราก็จะทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเราเป็นผู้ด้อยเราไม่เป็นผู้เด่นเราเห็นใครเราก็จะไม่รู้สึกเดือดรอ้อนเราก็จะมีความสุขใจอีกข้อนึงที่เราควรทำก็คือเราควรที่จะ ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วจะทำให้เรารู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในชาตินี้และในภพชาติที่จะตามมาต่อไป เช่นวันนี้พวกเราก็ได้ฟังทมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พวกเราทาบุญกันเพราะบุญนี้เป็นสบียนที่จะเลี้ยงดูจิตใจของเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และหลังจากที่เราตายไปแล้วคือร่างกายตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราคือใจใจนี้ไม่มีวันตาย แต่ใจที่มีสเสบียงใจก็จะออกเดินทางอย่างสุขอย่างสบายเหมือนเวลาเราจะเดินทางไกลเรารู้ว่าไปข้างหน้าไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีน้ำมันไม่มีสิ่งจำเป็นต่างๆเราก็ใส่ไปในรถพอเราเดินทางไปเราต้องการจะดื่มน้ำก็มีน้ำดื่มต้องการรับประทานอาหารก็มีอาหารรับประทาน ต้องการเติมน้ำมันก็มีน้ำมันเติมเราก็จะเดินทางอย่างสุขอย่างสบายจนกว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เราก็จะเกิดมามีสเสบียงรอรอเราอยู่ที่ในโลกใหม่นี้กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเช่นพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสร้างบุญบรารมีไว้มาก พอกลับมาเกิดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราต้องเดินทางต่อไปและสิ่งที่จะอํานวยความสะดวกอํานวยความสุขให้แก่เราก็คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราทํากันในวันนี้นั่นเอง เราก็จะมีความมั่นใจมีความสบายใจเราจะไม่กลัวเวลาที่เราตายไปว่าเราจะไปอย่างไรเรารู้ว่าเราจะไปอย่างสบายอย่างสุขเพราะเรามีเสบียงมีสิ่งที่จะคอยเอื้ออํานวยความสุขความสบายให้แก่เรานั่นเองนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆตามโอกาสแต่บุญที่เราควรจะทำเป็นประจำก็คือทานสีและภาวนาเพราะอันนี้เป็นเหมือนอาหารหลักที่เราต้องรับประทานกันเช่นข้าวกับกับข้าวส่วนขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆนั้นก็รับประทานไปตามวาระตามโอกาสถ้ามีก็รับประทานถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่เดือดร้อนถ้าเราได้รับประทานอาหารหลักก็คือถ้าเราได้ทำทางได้รักษาศีลได้ภาวนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาประทํากันในวันนี้เราก็จะมีสเสบียงสะสมไว้ในใจของเราเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีความอิ่มหนำสำราญใจไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสเบียงมาสะสมสเบียงเพื่อเอาไว้ดูแลจิตใจที่จะต้องออกเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ได้ดับไปแล้วให้ท่านได้นำมาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศนีรักะน่าใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณัสุขะภาะโดยทั่วหน้ากันเทอ